พิรชนโรกตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำนานเมืองพิกิจเมืองพิเชนโรกเมืองพิชายเมืองนาดเคยเรียนเนี่ยตะเกีเป็นนักเรียนมีพระจ้าองค์นี้นั่งกันโต อ, oh, อะไรอยู่วัดยั ง, ยงมันจากที่เรื่องเออ มาเรายนกันรึเป ล, ล่าเอออ๋ออ๋อทำครับสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนใจไม่ได้สอนอันอื่นไม่ได้สอนในฟ้าอากาศสอนใจอย่าให้มีเวรมีภัยกับสิ่งอันใดให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เช่นปรนาณารติบาตห้ามแม้ฆ่าสัตว์ก็เป็นประโยชน์แก่ตนที่ไม่มีเวรไม่ภก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นจะไม่ได้ตายด้วยเราอธินาทานห้าไมารักสิ่งของของคนของท่านผู้อื่นก็เป็นประโยชน์แก่ตนตนก็จะไม่ได้มีเวรมีภัยในตอนนี้ท่านผู้อื่นก็จะไม่ได้ระแวงรักษาเวรมณีเวรมณีแปลวเวนเ่นแล้ว เว้นตอนนี้เว้นแล้วเชื้ขาพระทางสมาธิยามิเป็นเช้อขาวดหนึ่งหนึ่งชิ้นห้าถ้าเราไม่ลวงละเมิดมันก็มารวมเป็นเสียนข้อเดียวอยู่ที่ดวงใจคือห้าข้อที่กลมกลืนกันเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจ พ, พระพุทธธรรมวาสงังก็เหงือนกันพระพุทธโธแปลว่า เป็นผู้ละชั่วทำดีธโมโทรงไหวซึ่งละชั่วทำดีสังโคปฏิบัติเพื่อละชั่วทำดีลกลงพุทโธธโมสังโค ก, ก็รวมอยู่เป็นเชือกสามเกลียวที่รวงใจของเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นทำดีก็ทําให้ใจทาชั่วก็ทําให้ใจอยากทำให้เลี้ย้าอากาศไม่ได้ เหตุนั่นทิ้งพยายามทําดีให้ใจเพราะใจเป็นผู้ทําผู้อื่นไม่ได้มาแย่งทําด้วยตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่ได้มาแย่งทําดีทํำชั่วด้วยจะเป็นหัวหน้าพาทําเป็นหัวจักพาทำเมื่อทําแล้วผลของการทําจะทิ้งให้กายวาจามันก็ไม่รู้อิหนูอีหี่อะไรจะทิ้งให้ดินน้ําไฟลมภายนอกมันก็ไม่รู้จักอิหนูอินน่อะไร จะทิ้งให้ดินน้ำไฟลมภายใดมีผงผลเรียบฟันเป็นโน้นมันก็ไม่รู้อีนูอีหนี่อะไรตบลองเข้าใจเป็นพูดสรางพูดทำขึ้นเมื่อใจรู้ว่าทำดีทั้งเช่วก็ทำให้ตนแล้วใจก็ต้องพยายามทำดีให้ตนก็ไม่มีปัญหาอะไรนักที่มีปัญหามากก็เพราะเข้าใจว่า เป็นผู้อื่นพาทําผลรับผลรายได้ไม่เข้าใจว่าใจเป็นผู้ได้เป็นผ ล, ล, ลได้รับรายได้เข้าใจวิเดินิฟ้าอากาศภายนอกเป็นรายรับรายไ ด, ได้มงคนดีก็คือใจทําให้ดีมงคนชั่วก็คือใจทําชั่วเวลาใดใจทําดีเวลานั้นก็เป็น เลิกดียามดีของใจเวลาในใจทําชั่วเวลานั้นก็เป็นเลิกชั่วของใจเป็นเลิกอุกาบาทโลกาวินาศมงคลอันอุดมดีก็มีอยู่ที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้ทํามงคลอันดีถ้ใจเป็นผู้สร้างมงคลอันชั่วขึ้นใจก็ได้รับมงคลอันชั่วขึ้นเหตุนั้นจึงไม่ต้องสงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาสอนลงที่ดวงใจ คนบ้าใบ้บเสียจดิษฐเีมนุษย์องค์ท่านก็ไม่สอนท่านสอนด้านทาทานวัตศีลวัตภาวนาวัตก็มีใจเป็นหัวหน้าพารมคนตายทำไม่เป็นคนนอนหลับไปก็ทำไม่เป็นเพราะวิญญาณเพราะความรู้สึกว่าอยู่ในที่นั้น ถ้าพูดใท้มากมันก็มากถ้าพูดแท้น้อยมันก็น้อยทำไมมันจึงมา ก, ก็เพราะเราสงสัยมันก็มากถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มากมันก็ปฏิบัติง่ายถ้าจะเว้นก็เว้นง่ายใจอันในที่หนักไปทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นใจอันนั่นก็พยายามเว้นใจอันในที่ทาให้เป็นประโยชน์ตนและท่านผู้อื่น ใจอนั่นก็ปล่อยให้ทําตามเจตจิตกาลังเท่าที่จะทําได้ผลรายรับก็ไม่ต้องเอ่ยหามันมาเองมันเราทําชั่วก็เหมือนกันผลรายรับก็ไม่ต้องเอ่ยหามันก็มาเองมันเรารับตาผลของความเมื่อยก็ไม่ต้องเอ่ยหามันก็มาหาเองมันเราลืมตาผลที่เห็นก็ไม่ต้องเอ่ยหามันมาเองมันเหตุรับตา มืดเหตุลืมตาผลเห็นเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเพราะจิตพานั่งเหตุนอนผลก็นอนเพราะจิตพานอนเหตุพูดผลก็พูดเพราะจิตเป็นผู้พาพูดคนตายพูดไม่เป็นฟังเทศก็คือฟังเรื่องใจนั่นเอ ง, เองผู้ฟัง ผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังต่างคนก็ต่างมีใจทุกทุกท่านถ้าไม่มีใจก็ฟังเทศไม่ได้ถ้าเป็นโทษก็ใจเป็นผู้เป็นโทษถ้าเป็นคุณใจก็เป็นผู้เป็นคุณไม่มีใครจะมาแย่งเอาคุณเอาโทษออกจากใจเลยนั่นเห็นใช่นมมโนคุฟังขามาทรามามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ปัจจุบันหน้าใจอยู่ที่ใดก็ปัจจุบันนั้รทำอยู่ที่นั่นศีลก็ตับศีลลงในปัจจุบันสมาธิก็ตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาก็รอบรูดลงในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธ ร, ร้นนั่นเองแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาในปัจจุบันในสิตปัจจุบันนร้นทำนั่นเองอดีตร่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงอดีตดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้ว อนาคตดีก็ยังไม่ทันดีชั่วก็ยังไม่ทันชัว่วาะยังไม่ทันมาถึงเพราะอนาคตก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอดีตก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินเพราะใช่ไปแล้วปัจจุบันมีทั้งตัวเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วยมีทั้งหนังด้วยมีทั้งเขาด้วยปัจจุบันันชโยธมังผู้ใดไม่งอเงค้อนแคลนเห็นธรรมในปัจจุบัน เห็นศีลในปัจจุบันเห็นสมาธิในปัจจุบันผู้นั่นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาด้วยและผู้นั่นจะไม่กล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยและผู้นั่นจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาง่ายด้วยเราเคยภาวนากรรมฐานอันใดแล้วก็ภาวนากรรมฐานอันนั้นฐานะแปลว่าตั้งไว้ในปัจจุบันกรรมแปลว่ากิริยาที่ทํา กรรมฐานฐานะปแปลตั้งไว้ในปัจจุบันกรรมฐานอันใดที่เราตั้งไ ว, แว้แล้วเราก็เพ่งอันนั้นกรรมฐานอันื่นก็มารวมอยู่ในที่นั่นด้วยเพราะพลังอยู่ในที่นั่นถ้าเราไม่เชื่อปัจจุบันธรรมไม่เชื่อปัจจุบันสิิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันนิสติปัญญาที่ประสมดุลกันประกอบกันในปัจจุบัน ชันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิริยะเพียงผลประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสมาธิตัง้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจ MM ุบันปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันตุกงพละคือทำในกำลังข้ายาก็รวมเป็นกองผลในปัจจุบันเลย ไม่แยกออกกันคนละมุมโลกเพราะไม่ใช่ว่าเชื่อกขาดไม่ใช่นุ่นปลิวไปตามลมเราจะภาวนากรรมฐานอันใดก็ต้องให้เห็นคุณในอ น, นันตติก่อนเมื่อเห็นคุณในอ น, นัตต์อนนันอื่นๆก็มารวมกันอยู่ที่แห่งเดียวจะมีมากก็าตามก็ย่นลงเป็นหนึ่ง ในใตจโลกธาตุเช่นดินทั้งปวงกธาตุดินทั้งปวงก็รวมลงในเป็นหนึ่งในปัจจุบันเพราะดินมีในปัจจุบันน้ําจะมีกี่มากก็าตามก็ย่นลงในปัจจุบันหนึ่งน้ำไฟจะมีมากเท่าไรก็าตามก็ย่นลงในปัจจุบันหนึ่งไฟลมอันพัดไปมาจะมีมากเท่าไรก็ตามก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันคือลม เพราทุกสิ่ทุกอย่างมันมีในปัจจุบันแล้วไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ําน้ําจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีเราพิจารณาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจึงจะมีไอ้ที่แท้มันมีอยู่หมดแล้วในปัจจุบันผู้ไม่สงสัยในปัจจุบันผู้นั้นจะปฏิบัติง่ายถ้าผู้ใดสงสัยในปัจจุบัน คนนั้นจะคว้าหน้าคว้าหลังเป็นเล่างเชื่อขาดผ้าพันศีรษะอยู่ก็ไม่เห็นเดี๋ยวจะไปหาที่อื่นผ้ากูไปไหนผ้าข่าไปไหนไอ้ที่แท้เขาพันศีรษะอยู่อืพุทธโธธโมของข้าไปไหนไอ้ที่แท้ก็อยู่ที่ดวงใจนั่นนั่นอันเดียวกันนะั่นพันศีรษะอยู่คือศีรษะใจ คือหัวใจขอถึงซึ่งพุธทธคำสงฆ์ตามเท่าเข้าสู่ พ, พระเนพานแล้วลึกได้ไม่ลึกได้พอดีไม่ใช่ถึงแต่เพียงสติตติเท่านั้นถึงอยู่ตลอดชีวิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นอธิษฐานอภรมีสัมป น, นูสัจปารามีสัมนโนตั้งสัตว์ไว้อย่างนั้นอธิษฐานไว้อย่างนั้นเมื่อเราไม่ละลึกเห็นมันก็คล้ายๆับว่าละลึกเข็นพราเราตั้งสัตว์ไว้อย่างนั้นเนะี่ย ส ต, ตังเมสจังเมอมาตังสจังสจักะนั่นแหละเป็นธรรมอันไม่ตายสจังเมอมาตาวายกาวายกาเป็นสัตว์อันไม่ตายเป็นคาสัตว์ไม่อันไม่ตายอธิฐานแปลว่าตั้งเอาไว้อธิฐานพรนามีสัมปันโนตั้งไว้สัมปันโนอันประกอบด้วยอธิฐาน จะอธิษฐานอยู่ในที่ใดที่นั่นจะเจริญคือที่รวงใจนั่นอธิษฐานไว้ในที่นั้นหาก็ต้องหาในที่นั้นไปหาในที่อื่นก็ยิ่งตื่นเมื่อพบเห็นก็เห็นกันอยู่ในที่นั้นพอใจเป็นผู้หาพอใจเป็นผู้เห็นหาก็ใจเป็นผู้หาเห็นก็ใจเป็นผู้เห็นมันก็หาอยู่ในที่นั้นมันก็ต้องเห็นอยู่ในที่นั้นน่ะ มันไม่อยู่ที่ที่อื่นทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดจะปลาลบหรือสงสัยอันใดก็จงปาลารบมาเถิดนี้นีก็ไม่ต้องไปสงสัย ธรมศรสาสนาทั้งธรรศาสนาเข้ามือกันน้อมลงมาหาที่ใจโอปนยญโกน้อมเข้ามาใส่ใจปั จ, จตังจะเห็นในที่นั้นจะรู้ในที่นั้นอาการที่โกมีอยู่ทุกการพระใจมีอยู่ทุกการเอฮิปัจิโกคนร้องเรียกมาดูได้ก็มาดูที่ใจนั่นเองยินยูชนจะรู้แจ้งเฉพาะตน ก็คือจะรู้แจ้งเฉพาะใจนั่นเองนันอนุตรังเป็นปุญญะเขตตังโลกัสสติเป็นเขตบุญของโลกก็คือใจเั็นพวกเขตเป็นเขตบุญของโลกถ้าเป็นเขตบาปของโลกก็คือใจนั่นเองเป็นเขตบาปของโลกโลกแปลว่าตัวเราที่มีหนังห้มอยู่โดยรอบโลกภายในนะท่า อานารย์ก็ยะกท้าวาริวาหาปุราปริบุรินทิสาสลังเอวเมวัยทูตินัมเปตานังมุกกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปมวะจเมิจตุสัพพิุรินตุสังกับพาจันโธป น, นะระโสยะถามาเนกโยทีระโสยะถาสัพพิพโยยวัจจันโตสัพพะทุโคสัปปิโยสัพพุโรโภวินั สัตุมาเตภวตวนตรายุสุขิดิคายุโคภวอภิวาธนาสีนิสนิจังจจุตาปชาเยนุชาตาโรตมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังต่อไปนี่ควมมีเจ้ามีนายจะมาอีกนี่นายผลหรือหรือนายพันก็ไม่ทราบจะมาเนี่ยจะมาน้อยมากขนาดไหนยังไม่ทราบ แล้วเขาโทรแล้วเรียกเขาโทรโทรศัพท์มาเลยมาจากมุกจิดขวงพรพุทพระธรรมประสงค์เนี่ยพอได้เรียนเรื่อเรียนพาะผู้นั้นบ๊ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เนี่ยถึงจะปากก็คือมันห่างไปไ ด, ด้ดื่มรถธรรมะวางคือสอนตักแก่งมัดมือมันกระพงจักกรดมัน แม้นเขาเห่นบมอชอบพี่น้องเร่ยนเลขเรียนพามันซอแสดงให้เห็นตัวสอแสดงให้นักป่าเห็นว่าผู้นั้นอยู่ระดับใดว่าสันตัวมันโคง่ายๆบ่โมตองเนี่ยนั่งพระวานารับตายากเนาะผู้ใดเล่นเลขกันถึงพุทโทษทั้งโมสั้งโคแต่ปากเหมือนใจเมื่ถึงคือซ่อนมันบุกจักรรถแกงตักยืมวัดมือสร้างบ่โมหงษ์ท่านอรรถว่าพระกันเช็ดกันราวกันออ พ่อเราพุทธโทแล้วไหมเราพอไปเรียนเลขยุ่มจพุทธโตตายยังพุทธโต้ยังสะพาไปเร่นเลขทำโมท้มโทั้งข้อยังจะพาไปเรีนเลขมองสับมันโมนมนมันพิดพุทธมามะกะหาเหลี่ยมซีวิทย์โดยพระสอบถ้ำพิษบมนเมน์แนวทางใหนมันดีเพื่อนบอกเข้าแล้วพระพุทธเจ้าไว้สิบเมตตากรุณาเท้าพุทธเจ้ามัไม่เนอกพื่พุทธเจ้าวัได้จิจขวงความเจริญพูดไ กี๋ขวองจะควบมันเสื่อมพู้นิหารว่าแห้เหรียอบายยมุกผูิกี๋ขว๋องอยานมันเสื่อมว่มันกิ๋ขว๋องควบจะริ่นพระพุทธเจ้าพู้นิม่องเห็นเมื่อเี้ยที่ประภาษาเอียงกระเพ่านี่พระพุทธเจ้าได้ประสบการณ์มากมื่อเ้วยังไหนมาสอนมูวเฮ้าอันขว๋องเท่านั้นท้าละบ่ได้มัผลเนี่ยผ้ามันแห้งไกลไปแล้วไก่ทะนอสองจิงน้ำมือเจิงน้ำาไก่ก็ร่นข้ามือกูบว่เห็นเพป็นวัน เอาละมื่อแล้วคันนี่ทีนี้อันพูดอันนี้ก็เป็นพูดเรื่องพิเศษไปทีนี้ท่านผูดอะไเป็นอะไรก็อบอกให้ฟังเนะอไม่รู้จักอืพอควรกาลันยุตาเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นนั้นปริสันยุตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อชุมชนนั้นๆว่าเมื่อเข้าไปหาจะต้องทําอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้น ลุคระประโปรปรันยุกตาเป็นผู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่นควนรคบเป็นต้นนั่นคำสอนในพุทธศาสนามีแต่เนื้อไม่มีกระดูกเป็นวัดทเนียจะปลารอบอะไรก็ปลารบมาใช่เมื่อเป็นมนุษย์ไม่ ว, วัตรแล้วค่ะ มัเป็นสวรรค์วิบัติไปในตัวแล้วก็เป็นสวัสสวรรค์วิบัติไปในตัวแล้วก็เป็นพรหมวิบัติไปในตัวก็เป็นพระนิพพานวิบัติไปในตัวนี่ยพวกนี้ฟังฟั ง, ฟ, งฟังออกไหมถ้าพูดภาษาอีสานเนี่ยไม่ค่อยออกเราออกบากเหมือนกันนะคําสอนใดๆในใจโลกธาตุ เป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศา ส, สนาหมดน้าห้วยนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศา ส, สนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอเอกเทียบในทางลึกซึ้งก็ให้คํานึงได้หลายทางเทียบในทางสูง ก็จูงใจให้มีปัญญาเขฉมทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดในใจโลกธาตก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงองีกัดหมายกัดงูกดักดพักกัดพวกตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วก็เหลื่มเจ้าไปไม่รอด แต่พอรู้ตัวก็สายไปเสียถ้าพุทธศาสนาะเป็นดิ่งปกครองโลกแล้วเขาเหตุใดทําเป็นโล ก, กบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไ ม, ไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่ อของทําไม่นําคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความเชื่อในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับท่านไม่ได้บอกว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเป็นของปกครองโลกพระปรมศาษิตาบอกว่าเิริความละอายใหญ่ใจคือบาปโอตรปะความเกรงกลัวท่านั้นทานํนทาเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกเหตุท่านั้นจะก้าวไก่พระพุทธศา ส, สน า, าไม่ได้ ทำอะไรก็ต้องมองดูคําสอนของพุทธศาสนาบ้างถ้าพุทธศาสนาเป็นแกนของโลกเอา้าถ้าโลกมีสิ้นห้าบริบูรณ์แล้วทหารตำรวจมีไว้ทําไมไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดุ้งหัวเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าง หน้าตาผิวพรรณวันนะ่ะก็ไม่เหมือนยักษ์เหมือนมาร น, นั่นมนุษย์เป็นมนุษย์เต็มภูมิแผ่นดินทำแผ่นดินทองทั่วทั้งไตรโลกาธาตุเลยมันเป็นแผ่นดินฟืนแผ่นดินไฟแผ่นดินนรกก็เพราะเหตุว่าปีนเกลียวพระพุทธศาสนานั่นถูกไหมพิจารณาดูให้ชัดสิถูกไหมเออ พระพุทธศาสนาห้ามมาให้เป็นการบ้านห้ามาให้แกเป็นการเมืองถ้าพระพุทธศาสนาไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นสัทธรเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นคําสอนของพุทธศาสนาเราเข้าสู่พระานไปแล้วก็จริงแต่ว่าคําสอนของเราแต่ละบทระบาดนั่นเองจะเป็นาศาสตร์แสดงดาแทน ท่านทั้งหลายจงพากันปฏิบัติตามสติกำลังเนื้อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทรงพระทำอันเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ตัดออกในธรรมะลงเอ่ยกันพระพุทธเจ้าจะมากี่ยุกยุกประามจะมีกี่ร้อยโกรดก็าตามอเนกสะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามีกว่าร้อยโกรดจะมากันเป็นยุกยุกประจาม ก็เป็นทาคาสอนอันเดียวกันไม่ได้ดัดแปลงเลยไม่ได้แก้ไขเลยทันสมัยอยู่ทุกเมื่อถ้าเป็นอาหารเปิดดูเวลาไหนก็ไม่บูดถ้าเป็นหนทางเดินเวลาไหนก็ไม่ลกไม่มีคลื่นไม่ไม่มีหลุมไม่มีบ่อเหตุฉะนั้นจึงไม่ควรก้าว่ายคาสอนพระพุทธาศาสนา ไม่มีที่แซงเลยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบัญญัติบาปก็เป็นบาปจริงบัญญัดบุญก็เป็นบุญจริงเพราะพระบรมศาสดาเป็นผู้ที่ไม่ทรงมีกิเลสศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระบรมศาสดาเราเข้าสู่พระพานไปแล้วก็ตามเถิดแต่ว่าคําสอนของเรายังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่า เรายังอยู่ตาบนั้นเขาบลวงพ่อตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นเราจะมาจับชายจีวงของเราอยู่ก็ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราถ้าเห็นธรรมแล้วจะอยู่ฟ้ากว้าแดนเดินไกลก็ตามได้ชื่อว่าเห็นสถานคตอยู่จะอยู่ใกล้เลือก็ตามถ้าไม่จีบก็ไม่รู้ว่าจะไม่ไม่รู้จักว่าเลือเค็มนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ควรคิดพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งของชาวโลกถ้าทิ้งดิ่งแล้วไปไม่รอดช่างไม้กาตามเรียนมาจากนอกประเทศช่างก่อสร้างก็าตามจะทิ้งดิ่งไม่ได้เพราะเป็นอาจารย์เดิมจะทิ้งระดับน้ําไม่ได้จะทิ้งเครื่องวัดเครื่องตัวไม่ได้ชั้นใดก็ดี จะพูดจนน้าไหลไฟดับก็าตามถ้าไม่ถ้ามันไม่ถ้ามันเปียงเคลียวคําสอนพระพุทธศาสานาเน้่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันสัพทังทรพยันชนะงเกวระปริคุณนางปริสุทธังพระมัจจรยังประกาศเสสิพะบรมศาสตราประกาศพรหม บ, บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะสร้างพยันชนะแล้วตามหางพกาวันตังอภิปูตยามิตามาหางพุกาวันตังศีรสานามามิ เหตุนั้นจึงยอมกราบไหว้ไม่กระดาษไม่กระดาษก็เดืองเลยพอใจที่สุดนั่นเรามองดูสิเมื่อชาวโลกห่างเหินจากพระพุทธศาสนาไปเท่าใดความอนเอาเวงหิวโหวยมีทุกทิศทุกทางนะพระพุทธศาสนาเป็นแกนของโลกจึงทรงพระนามาโล ก, กวิทูอย่างเต็มภูมิไม่ประมาเลยพระบรมศาสดานั่น การปกครองขอ ง, ของโลกก็ดีของประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีในระหว่างครอบครัวก็ดีถ้าห่างเหินจากคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วไปไม่รอดฉุกเอาเผากินอะไรไม่โลกอยู่ทุกวันนี้ก็คืออบายมุขเป็นไฟไม่โลกมุกขะมุขะแปลว่าอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากอบายมุข ก, กับลวงและเมิดเส้นห้ามีความหมายอันเดียวกันกับลวงและเมิดกันระยา น้ำธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นถ้าพุทธศาสนาสอนทั้งพษษษษษษิธรสมมณ น, น, นด้วยสอนทั้งฆร า, าวาสด้วยปัญธิตโตฆราวะสังบัญธิตเป็นผู้ครองเรือนบัญธิตเป็นผู้ครองเรือนคืออะไรคือผู้มีเซนห้าบริบูรณ์นะผู้ถึงพรเพืทอธรรมพระสงฆ์บริบูรณ์ผู้ไม่ฆ่าขายเครื่องประหารไม่ฆ่าขายมนุษย์ ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเล่าเนื้อสัตว์ทิดตัวข้าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกห้าประการประกอบ ด, ด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าประการ และเว้นจากวิบัติทาประการซึ่งตรงกันข้ามพระบรมศาสตราสอนโลกเรียบสอนพิสสัมมเย็นสอนนึกไปกว่านั้นพระบวชมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องฆราวางโต้ ง, ต ง, ตงในระหว่างฆราวากับสมณะชีพารามท่านก็สอนมีหน้าที่ทำยังไงต่อพระพุทธศาสนาพวกอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในฆราวาส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 สิ่งที่ไม่เหลืออาศัยพว ก, กผมก็จะช่วยพวกที่ฉันก็จะช่วยเรียกว่าเปิดประตูทางกายทางวาจาทางใจนี่ข้อสี่ข้อห้า 5, ด้วยให้อามิสถานสมณพราหมณ์ได้รับบำรงชนนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุณระบุรด้วยสถานหกนี่ฝ่ายนี้คือสมณเณรหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ ให้ฟังสิ่งที่ฟังสี่ให้ฟังสิ่งที่ย้อมาเคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหก<อ>บอกทางสวรรค์ให้นั่นพระบ ร, รมศาลาสอนในบทแล้วเนี่ยในระหว่างผัวกัเมียพระบ ร, รมศาลาข้อสอนหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภนรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัว ภรรยาได้รับบำรุงชนิดแล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัดการงานนี้สองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไม่ทําหน้าบูดบึง้งสามสามีมีหน้าที่หนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงไจ 4. สีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นมีที่แทงไหม ถ้าสามีกับภรรยาประพฤติกันอย่างนี้แล้วการทะเลาะเบาแวงจะมาจา ก, กตูไหนไม่มีเลยนี่นั่นสามีก็ไปเล่นสาวซะทีนี่ภรรยาก็ขึ้นไปเล่นไพ่เล่นโป๊ะซะมันก็ทะเลาะกันนั่นทางสงบทังนั่นแะทางร่มเย็นแว่สองทางแว่นดวงใจรวงธรงรมก็คือคำสอนพระพุทธศาสนาเ น, นี่ยก้องกุณทัศ จะเอาแอนดวงใจดวงธรรมมาจากประตูนะั้นก็คําสอนพระบรมศาเจาที่สอนลงในจิตในใจของพวกเรานั่นเองนั่นเราพิจารณาเป็นหน้าที่เราจะพิจารณาทางนั้นจึงจะสมว่าชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็เอาหลักกรรมและผลของกรรมมาสอนอีกด้วยการตัดสินของพวกเราคดีดําคดีแดงจะทําถูกหรือไม่ถูกก็ตามผลของกรรมยังมีอยู่อีก ตามสนองโจ์และกำเลยที่ทำไม่ถูกและผู้ทัศนีไม่ถูกกำและผลของกำรรตามสนองไม่เลือกชาติวันลนะอันนี้แหละสำคัญมากส่วนถึงเร็วถึงชา้ามันก็มีสิทธิอยู่กับกำรรและผลของกำไม่มีสิทธิอยู่กับผู้อื่นที่จะไปบัญญัติให้นักเหตุฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิน่นพระพุทธศาสนานทุกๆยุคทุกๆสมัยเลยพระพุทธเจ้ามาตัดในโลก เป็นธรรมอันเดียวกันทำอันใด ท, ที่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่เป็นเบียดเวียนท่านพู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ทำคำสอนของพระเจ้ามีประโยชน์ทั้งตนด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเช่นเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับเรานี่เรียกเป็นประโยชน์ทั้งเราเราก็ไม่ได้เป็นเวียนเป็นไัยกับเขาด้วยนั่นเราไม่รักทรัพย์เขาเราก็ไม่เป็นเวียนเป็นไักับเขาและเขาก็ไม่ได้ระแวงเราด้วยและเขาก็ไม่ได้จิบหายกับเราด้วยนเป็นประโยชน์ทั้งสองทาง <Wow. S 3> เมื่อทำประโยชน์ตนตอนไหนมันก็เป็นประโยชน์คนอื่นตอนนั่นเมื่อเบียดเบียนตนตอนไหนมันก็เบียดเบียนคนอื่นตอนนั่นนั่นเบียดเบียนตนตอนไหนเบียดเบียนคนอื่นตอนนั้นเบียดเบียนท่านพู้อื่นตอนนั่นนั่นพระพุทธศาสานาไม่นิยมพักไม่นิยมพวกไม่เป็นอัตตาที่ปิปไตยไม่เป็นโลกาที่ปิปไตยเป็นธรร ม, มาที่ปิปไตยเต็มภูมิเหตนั้นจึงเคารพธรรม โมคระเอ๋ยสาธุบุตรเอ๋ยวันนี้เรามาเล่นอบายกมุกกันเถิดเรามาเล่นเอาผาสังคาติกันหรือบาทหรือบริขารกันฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินทบาทละเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงเคารพทอย่างแก่จมสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์พระบรมศาสตราก็ท ร, ทรงสั่ง ส, งสอนให้พุทธบริษัทแล้วสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ทรงห้ามแล้ว เราไม่มีหน้าที่จะไปสนใจมีหน้าที่จะปฏิบัติตามสติกําลังเท่านั้นนั่นถ้าเถ้าถ้าหากว่าเราสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนานั่ยมันมีที่แทงอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ลงลงมาพุทธศาสนาถ้าหากเราเลื่อมใสว่าคําสอนพระพุทธศาสนาที่ไม่มีที่แช่งแท้แล้วการเคารพนับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ยากมันก็ไม่หนักที่มันหนักอยู่นี่ก็เพราะเข้าใจว่าคําสอนพระพุทธศาสนานี่ ตำต้อยไม่รอบคอบไอ้ที่แท้รอบครอบหมดแล้วแต่เป็นเพียงว่าเราตาฟางสนเข็มไม่ถูกเฉยนั่นผู้มีปัญญาย่อมเคารพสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพสิ่งที่ไม่ควรไม่เคารพย่อมนับถือสิ่งที่ควรนับถือย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมโศเป็นโศตายกับสิ่งที่ควรโศเป็นโศตาย ผู้ที่ไม่ทรงปัญญาก็ตรงกันข้ามครับถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย ถ, ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ปฏิบัติพิรุษลงชาวพุทธจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนมอดม้วยสุดสิ้นส ก, กาวปูนพุทธใครรานใครรุกร้าวพระพุทธศาสนากรรมของ คนนั้นแลนาจะตามถึงไม่ต้องสงสัยเลยแผ่นดินนะสองแสนสี่มืนโยธเขาเอารูกระเบิดปรมาณวุวัฒลายแตกจิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทำลายไม่แตกถึงจะตายเมื่อก่อเม่เห็นไม่ตายก็ไม่ยอมหนีจากพระพุทธศาสนามันลงเอยถึงขนาดนั้นแล้วใครจะถอนออกทีนี้ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆเป็นของที่ไม่บังคับก็จริงอยู่แต่ก็เป็นหน้าที่เราจะมีอิสระเลือกเพ่นไก่แก้ตัวหนึ่งขณนะเมื่อคุยเคียหาอาหารไปพบพรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดเปรยเปรยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิม นี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับเราตู้แต่เข้าสุขเข้าสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขียไปในแปลงอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดก็ดีเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็กักว่าพบพรอยแล้วก็ทิ้งซะ ไม่สู้ลัทธิของเรานั่นก็เลยกลายเป็นกบเลือกนายทีนี้กบฝึงหรือฝูงหนึ่ ง, ง, งอาศัยอยู่ในบืองใหญ่อยู่มากบฝูงนั้นอยากจะหานายคุ้มครองป้องกันตัวจึงไปว่าแก่เทวดาขอให้ส่งนายมาให้เทวดาก็ทิ้งขอนไม้ลงไปเสียงดังสะท้านทําให้กบตื่นตกใจมีกบก้าตัวหนึ่งไหว้น้ํามามองมาเห็นขอนไม้ก็ดีใจแล้วก็ ชวนหมู่ขึ้นมางอยอยู่ที่ขอ น, น้ำนั้นอยู่มาอยู่มาอีกทีนี้นึกเบื่อขอนไม้มีแต่รอยหน้ามไม่ได้สั่งสอนอันใดเลยก็ไปร้องกับเทวดาอีกขอให้ส่งนายมาให้ใหม่เถออิดไม่นะเรียกว่ากบนิทารกบเลือกนายทีนี้เทวดาเห็นความโง่เขลาของกบเหล่านั้นก็ปล่อย นกกระสาลงไปรักษาทีนี่นกกระสาก็จับกบกินวันตัวสองตัวนานไปก็หมดกบภุงนั้น <c oughs> นี่เหมือนกันลนะ่ะถ้าเราหนีออกจากสนาพุทธจากศาสนาพุทธละ่ะเดี๋ยวจะเป็นกบเลือกนายเนอ้อ น, นันักนักถ้าเป็นนกเป็นปลา ก็ต้องเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอยาไปติดเบ็ดติดแล้วที่นายพรานโปยล่อลวไว้อันนี้สําคัญมากนายพรานจะเอาต้มกับแก้มพุทโธอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดวงใจธรรมออยู่ที่ไหนส่งไปที่ดวงใจสังโฆอยู่ที่ไหน ตรงไปที่ดวงใจดวงดีดวงไม่ดีก็คือดวงใจของเราเนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนลงนั้นเธอทั้งหลายใจของเธอทั้งหลายอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้เพราะใจของเธอทั้งหลายเป็นหัวหน้าอืทําดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็ทําให้ใจพวกเธอจงทําใจให้เป็นดวงดีเสียหนูเลิกดียามดีก็คือเลิกใจยามใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองนั่นเราเป็นเพียงบอกเฉยเฉยเราจะทําแทนพวกเธอไม่ได้หิวนอนก็นอนเองหิวน้ำก็ดื่มเอง เราเป็นเพียงที่บอกคนทางให้พวกเธอเท่านั้นพระบรมศาสดาเราจะทําแทนไม่ได้แลตหิ อ, ต, อตโนนาโถตนเป็นทพึ่งของตอนเสียเนอ้อความชั่วกองพระผู้เป็นเจ้าของเธอนนัทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นความดีก็พระผู้เป็นเจ้าของเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นคือจิตใจนั่นพระบรมศาสดาเราสอนจิตสอนใจเช่นเราพูดอยู่เดี๋ยดนี่ก็ดีถ้าไม่มีใจก็ฟังไม่ได้ถ้าไม่มีใจก็พูดไม่ได้นั่น ฟังแท้ก็คือฟังกลพูดก็คือพูดเรื่องใจเพราะใจพูดออกมาคนตายพูดอะไรเป็นนั่นถูกไหมไม่ถูกทำไมไม่ยิ้มยิ้มสักหน่อยสิอะเอ้าต้องการพูดอะไรพูดมาที่นี่ ต้องการพูดอะไรก็พูดมาชใช่ไฮะหลวงปู่ไม่ค่อยได้ยินเนอะหลวปู่หูนหนวกเนอะฮะไม่ควรพูดไว้ทั้งนั้นหรือทําไมไม่พูดเปรงหลวงปู่หรือไม่ต้องให้เกงต้องการอะไรก็พูดฮะ ความสามารถมันก็อยู่กับความพยายามความสำเร็จมันก็อยู่กับความพยายามความพยายามเป็นความสำเร็จผู้เขาทำชั่วเขาก็พยายามเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันเขาก็สำเร็จเหมือนกันผู้เขาทำชั่วเขาก็พยายามทำเหมือนกันแต่สำเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันความสำเร็จอยูกับความพยายามเนี่เป็นคากลางพยายามทาดีก็สำเร็จดีพยายามทาชั่วก็สาเร็จชั่วแต่ให้ผลต่างกัน ตามส่วนคุณค่าของเหตุที่ทําน้อยระมัดนั่นทําดีได้ดีอยู่ที่ใจทําชั่วได้ชั่วอยู่ที่ใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าวเน้อเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็หู้ชั่วเหตุใจเ ห, ใเหตุใจเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็สงสัยเหมือนกันเหตุใจอันใดที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็ไม่สงสัยเหมือนกัน เหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเวลาพอสมควรก็เอากันแล้วนะพอสมควรไหมพอสมควรไหมกูจะรบรบรบกวนหลวงปู่มากนะฮะรับออก็กจะรบกวนหลวงปู่มากเดี๋ย ว, ยว<อ>นี้ท่านเกาะยะทาวานิวาฮาปุรา ร, ราาิเรโวเดชาคะลังเอวเมวเมวีโต ท, โทินังเปตารังมุปกาปติจิตังปจิตังตงุมาังคิปเมวีวัิเมชตะลู สภพพูริยันตุสังฆปาจันโท ป, โนป น, รนารโสยธาวันิโสธีรโสยาถาสภาิทยโยวัตฉันทร ส, ส, สัพพทุโคสภโยสุโคลโควินัสพพตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีตีกายโผลภอภิวาทนาสีนิสานิจังุทาปัญานุนัตตาโรธมาวันติอายุวันูนสุ ข, ขังภะ สัตุส um> <ah ัตุสัตุอนุโมทามิยมปนมือนะในีพระสงฆ์กาของปู่ันท่านาดาเขาให้บวได้นานๆต้องลงปู่ ไม่ปวด น, นานเลยหลวงปูกว่าอย่างออออนั้นเพราะวันนั้นให้ดีเนาะเออถ้าเราปัดพืชเพื่อปฏิบัติเพื่อบรทุกะว่าท้าทรมสารปัญหาไม่มากเนอะพิจารณาอันนี้กงทุกคั้งอากาศาพ่อพ่อมงห้ใจเข้าออกเท่านั้นแหละอันนี้โวหารเฉยๆหรอะโวหารก็ต้องหาลงหาลงในปัจจุบันโวหารเฉยๆหรอกอันนี้หอนก็หาลงในปัจจุบันนั่นเองอันก้าวหง อ่าพุทโธธรมโอทังโคนิพปานังพุทธธรสงฆ์เนปานมีผู้กราบไหว้หลวงปู่ไม่ได้ตะตุนไหวหลวงปู่ส่งต่อพระเนพานถ้าตกตุนไหวมันก็มีมานะทิฏฐิก็ส่งต่อพระเนพานเรียกว่ากราบไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธแท้ทำแท้สงฆ์แท้ก็ส่งอยู่ที่พระเนพานรวมคิวกันอยู่ที่นั่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทวดคุณท่านผู้มีคุณรวมไปอยู่ที่พุทธทรรมสงฆ์พุทธธรมสงฆ์รวมคิวกันอยู่ที่พระเนพานแหละไป สัตว์สัตวสัตวอนุโมทามิกาลยาณะมิตตาความมีเพื่อนนิยงามโสวัจตตาความมันพัวง่ายสอนง่ายยิ่งกรณีเยสุทกาตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนมนุษย์ร่วยกันตามทีท่กำลังธรรมะามัตา ความรักใคร่ในธรรมที่ชอบวิทยะเพียนเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดีสันโดผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตามมีตามได้ข้อเก้า 9, สติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไร นี่คือนาถกถานะทธรรมธรรมที่พึ่งของตนมีสิบอย่างอย่างพิสดารสติจำการที่ทมและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติก็เป็นที่พึ่งของตนถ้าจะรักษาเขาจงให้มีสติรักษาถ้าเพิกศูองค์หนึ่งประภาวนาอยู่ในภูเขา เทวดาจำแรงตนมาเฝ้าองค์ท่านท่านอยู่องค์เดียวท่านก็ตอบเทวดาว่าอย่ามารักษาเราก็ได้เชิญไปอยู่ตามสบายซะเรามีสติอยู่ดอกเราไม่หลงสติเรามีสติอยู่ดอ ก, เ, เ, อดอกเทวดาองค์ับอกเทวดาไปไม่ต้องมาเฝ้าดอก เรามีสติอยู่หรอกขอแสดงให้เห็นว่าสติเนี่เป็นหลักของการพิจารณาเหตุฉะนั้นจึงมีกรรมฐานแต่และอย่างและอย่างจึงมีสติตั้งสติกาหนดลมให้ใจเข้าตั้งสติพิจารณากายตั้งพิจตพิอ่ตั้งสติพิจารณาเวทน า, า, ต, าตั้งสติพิจารณ า, ส, าสัญญา มีสติพิจารณาเรียกว่ามหาสติประธานเสียนพุทธานุสติธรรมานุสติทั้งอนุสติสิบอนุสติสิบก็คือให้มีสติในสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอะอนุสติสิบคืออารมณ์ระลึกควรระลึกสิบประการพุทธานุสติธรรมาทั้งการชีราจาตาเทวตาอุปสตมานาจขตามตนาอาณาประมาปนาสติเมตนาสติมีสติสติสติสติอยู่ ทุกกรรมาฐานไปอยู่กับหลวงปู่มั่งต้องหัดสติเหมือนกันฟ้าตุ่มโอ่งตุ่มน้าถ้ า, าว่ามันใช่น้าหมดแล้วมันยังอยู่ครึ่งหนึ่งถ้าเราไปวาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊เลยตูมอย่างนี้ไม่ได้หรือเปลี่ยฝาอย่างนี้ก็ไม่ได้ แล้วก็ค่อยวางอย่างนี้ไฟเวชระเวลาจะลุกขึ้นเวลาจะจะขึ้นนะคับอย่างนี้เวลาจะเอาของให้หลวงปู่มั่งหรืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วจ ะ, จะสบายบานหลวงปู่มั่งเนี่ยต้องมีสตินะครับมีสติเหมือนกันก็ใส่ของมาอกอย่างนี้จะเอาของให้ท่านก็เหมือนกันแล้วของให้ท่านก็ เอาอย่างนี vos, ้มีงานขายว่าอย่างนี้เงื่อนวอย่างนี้เราจะเอาของอย่างนี้ให้ทำก็ต้องอย่างนี้ทีนี้เมื่อเวลาท่านจับแล้วเราก็ค่อยวางเราก็ค่อยวางครับทีนี้เมื่อเวลาเราจะไปแยกเอาของกับมือท่านเราจะขอท่านมาทําเวลาสมมติว่าท่านมีงานอะไรทําข้อนตีกระปูหรืออะไรอย่างนี้เห็นเห็เห็นอย่างนี้ กเอาออกก็้าออาขาดออกจากนีจับใกล้มือของท่านค่อยดึงมาถ้าทักําแน่นอย่าไปดึงเนะถ้าทักําแน่นขืนดึงบุกเลยถ้าทําเห็นเราขอรบดีๆเราดึงมาอย่างนี้ค่อยดึงอย่างนี้ว่าทำร้างหรอกทำร้างเราต้องดึงอย่างนี้ไม่ได้เอ้ ต้งมีเสตย์อยู่กำลังปูมาลมีเสตเหมือนกันนับของกับท่านก็เหมือนกันนับของถ้าเป็นกาเจ้ากาอย่างนี้แล้วก็จับงวงอย่างนี้เรไปกลับนี่ไม่รู้ว่าจะให้ท่านจับสิอะไรนี่เอาอะไรให้ท่านก็เหมือนกันเราจะให้คุ้นพันไม่ได้ถ้าเอาอะไรให้เราเหมือนกันเราก็ชสวยอย่างนี้ก็ไม่ถูก การนำตะการ้อนกาไม่ได้เอาให้ท่านนี่สมมติตะการ ใ, ใช่หรอือกสิ่งนี้นที่เป็นงวงใหท่านจับง่ายๆเราเอาให้ท่านสิ่งนี้นที่มันหนักเกินกำลังของท่านเราก็มาให้ท่านอนผู้เอาให้ก็ต้องต้ององมีปัญญาเองเหมือนกั น, กนสิ่งนี้นที่มันหนั ก, นกเกินกําลังเราก็มาให้ท่านถ้าเป็นการานาร้อน ไม่เคยเอาการน้ำร right. ้อนให้ท่านหนอเป็นแต่เพียงดินดินให้ท่านเท่านั้นดินแล้วก็ผินทั <royalty noise> <yll> ้งหูไปดินแล้วก็ผินทั้งหูไปผินั้งหูผินทั้งทีจับไป ไม่ยากจะไปหลอให้ท่านจับของร่อนนี่มันเข้าใจมันกันเหี่ยตวหนูรู้ตัวเลย <l ots> <l ots> คุณหมูเอาขอให้ผู้ใหญ่ต้องเอาให้อย่างนี้นะคุณหมูหนเ น, นี่นี่จริงแล้วนี่เดี๋ยวถ้าไมา่มีปฏิบัติมันก็สูญหายไปหมด เขาบอกปฏิบัติมันก็ปฏิบัติหมดทุกอย่างมันมีในนักปฏิบัติทา ง, างของเรเนเอื่นไม่มีหรอกมันมีพระสนใจทางปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มันจึงพอดูได้เนอะถ้าอย่างนั้นก็เลิเถอะกันไปหมดนะถ้าอรั ญ, ญาวาสียังอยู่ยังย่งยืนยงๆๆเราก็เหมือนอยู่คงชีลด้วยอรั ญ, ญาวาสิชนาะลง ท้ามาวาสีจะดูได้เลยเราก็เหมือนมวดม้วยสุดทิ้นสกุลพุ๊บใครรา้างใครลุกลาบพระพุทธศาสนากรรมของทันโท น, นันเลนาะจะตามไปถึงไม่มีทสี่สุดทิ้นทุกวันนี้สารพัด เขาจะวัดเหลียงเขาพุทธศาสนาแต่ก็ค่อยไม่รอเนื่อทันประกาศจะตะว้างปลาให้ผู้เขายึดมาอะไรมันก็ไม่รอดดอกแต่ว่า น, น้ำลายขึ้นฟ้าถก็ทางเตโรกามันอมกอไม่ถดีเดี๋ยวตกใส่หน้าของใครเข้ามาละ ข้อฟ้าข้อนส่ต้นเสานักวัยเอกก็ลบไม่ทันใช่ไหมนั่นเรเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเพเป็นพระพุทธศาสนาใจถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาอยู่กับคนอื่นก็เป็นสถามหนึ่งอยู่กับตัวข้องใครของมันแล้วก็มีอิสระที่จะปฏิบัติตไดน้นั่นนี่คำว่าตัวไม้ตามสมมุติคือตัวใจถ้าไม่สมมติก็ไม่รู้จักเครื่องหมาย จะพิจารณาสมมติแสงเดียวก็ไม่ ส, สุขจะิดมรณายัสมมติแสงเดียวนั้นเป็นเกลเียดแนละอิจฉาความสมมติบงตัวก็สมตตสมุติว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคคลนี้ประชาชนเราเขาดีกันนี่ทำไมสมมติดังนั้นก็ไม่มีการปฏิจารณาถ้ามันพอแล้วเราจะฟาร์ลบสมมุติมันก็ไม่คัดข้องเราจะปาวดลบวบงุธ ม, มันก็ไม่คัดข้องเหมือนผู้ที่ํานาเขียนํนานาลบนั่นเอง เขียส่กระดา น, นำดานนำเขียงข็เขียนเป็นลบ ก, ก็ต้องลบเป็นมันะพูดที่ทํางานเน่เข้าประตูมันก็ออกเป็ screen. นเะมื่อหายใจเข้าเป็นมันก็ต้องหายใจออกเป็ screen. นะอันนี้มันเป็ น, ปนข้างๆแบบยาวเมื่อลนะบโกดลงมันมีประมาณอันไม่ลบไม่โกดไม่ลงก็ไม่มีประมาณ เมื่อทำไฟเกิดฝไฟดับไม่มีประมาณทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีประมาณเหมือนกันถ้าจะย่นลงมาก็ย่นลงมาเป็นอันหนึ่งถ้าย่นทำไฟเกิดฝไฟดับลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นทำไฟไม่เกิดไม่ดับลงมาเป็นหนึ่งถ้าเสียนสมาธิปัญญากระจายอยู่ออกไปแล้วทีนี้เราย่นเียนสมาธิปัญญาลงมาเป็นหนึ่งไหมน่ะ เมื่อเราเมื่อเราขยายแล้วได้เราพยนตได้เหมือนกันก็เชือกเส้นเดียวเราถึงไปยาวเหยียบทั่วทา้งใจโลกระท่าเมื่อเราจะเอามาแเราก็สาวเข้ามาสาเข้ามากองไว้นะกองมาที่ดวงใจดวงจิตนี่ก็อันเดียวกันถ้าหลงอันนึ่งมันก็หลงหลงหมดถ้าไม่ลงอันหนึงมันก็ไม่หลงหมดถ้าหลงดินมันก็หลงน้ํำมันก็หลงไฟมันก็หลงหลมเหมือนกันถ้าไม่หลงดินหลงน้ํำไฟลงมันก็ไม่หลงกันถ้าไม่หลงตาหูจมูกนี่มันก็ไม่หลงเหมือนกัน ตาก็ไม่ลงเหมือนกันถ้าไม่หลงดินน้ําไฟลมมันก็ไม่หลงเหมือนกันถ้ารู้เท่าดินก็รู้เท่านา้ํารู้เท่าไฟเท่าลมเหมือนกันถ้ารู้เท่าอาดีตก็รู้เท่าอนาคตรู้เท่าปัจจุบันเหมือนกันนีะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความรู้ดุจ ด, ดวงตาทิพทิพย์จักร ย, ย, ยานอาสวัคทยะญยานแปลว่าความรู้รอบในใจโลกธาตุฉะนนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคณะคิดหนึ่ง มีแต่สังขารทำเขาเรีสังขารที่ทำมันก็เห็นทั่วทั้งไปโลกชาติด้วยเห็นทั้งนอกโลกด้วยเห็นตั้งท่ายเกิดฝ่ายดับด้วยเห็นตั้งท่ายไม่เกิดไม่ดับด้วยถ้าจากนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะขี้ความสงสัยเพราะจะทําให้ความสงสัยกับของสิ้นไป เมื่อความสงสัยจะของขิ้นไปแล้วมันจะกบฏขึ้นมาจากประตูไหนทีนี้มันก็ไม่กรบดขึ้นมาเพราะมันขิ้นไปถึงตอนแล้วชิ้นชงความสงสัยตอนชั้นพระโสดาวันตอนสักกาคามีตอนอนาคามีตอนพระหานความสงสัยขิ้นเชิงไปแล้วความซิ่งความสงสัยในตอนพระโสดาวันคือขิ้นความสงสัยในศาสดาไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาก็ตั้งดําเนินไปตามพระพุทธศาสนาไม่สงสัยว่าจะเลือก สาดสดาอื่นเมื่อสงสัยว่าจะเป็นทางอื่นมีทางเดียวทางนี้คนทางเป็ น, นเราเข้าต้นทางแล้วเอาเข้าต้นทางแล้วทางจิตทางกาทาง ส, สติปัญญานะเราไม่สงสัยว่าจะไปเดินทางอื่นแล้วก็เดินยังไม่ถึงแต่วังไม่ถึงวนันพระ ส, สวดาวันเอส่วนพัะสวดารวันจะเดินอยู่ต้นทางพระภามีก็เดินอยู่ที่นี่พระนาคามีออ ก, ก็เดินอยู่ที่นี่เดินอยู่ที่นี่เยิอนเดินอยู่ที่กลางพระอรหันต์กบ เดินมาเนี่ยขึ้นเลยขึ้นฝั่งเลยและไม่คืนแลเชืนมาอีกด้วยไม่สงสัยจะคืนมาอีกด้วยเช่นน้ำลายที่พุวนออกจากปากแล้วไม่สงสัยว่าจะไปค้นหามาเข้าไปมาอีกด้วย <c oughs> และไม่เป็นของนักด้วยพูดถึงสุภจร ป, ปนโน ก็เปิดประตูพันธุานธุเบื้องต้นแล้วไม่สงสัยว่าจะล่วงละเมิดสินห้าและไม่เชื่อใจด้วยและไม่เชื่อใจอยากล่วงละเมิดอบายย ม, มุกด้วยทําไมถึงไม่เชื่อใจพราะมีปัญญาเห็นดิ่งลงว่ามันเป็นทางชิดผายถอนไม่ออกแล้วมันจึงไม่สงสัยจะล่วงละเมิดสินห้าเหมืนกัน ก็เห็นว่ามันเป็นทางชิดหายตรงๆเป็นทางไปสู่ความไม่จเจริญเพราะมันเห็นดิง่งเนี่ยมันถอนไม่ออกเห็นดิ่งไปทางชอบมันก็ถอนไม่ออกเห็นดิ่งไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระบรมาสารราเจงสอนให้เห็นเองเป็นสัญทิฐิที่โกมสาสร้างก็ช้อนอนบุญก็ช้อนทนบุญบ่พ่อกค่ะ ขามโลกได้เพราะกุศลพ้นวยมันเป็นเหื่อเป็นเหื่ออยู่ที่คิดที่ใจเทาันมาทรงเสริมไม่ได้ข้ามได้กุศลพ้นบุญพ่อนวะข้ามได้ ข, ข้ขามคลอหลงได้ข้ามค่อมลงมาท่านไหกุศลพ้นบุญบบบมาท่านพ่อก็กกต้องสางเองถ้าพ้นบุญพ่อเราก็ข้ามคล่อมลงเราก็ไมมาหลงอีกแล้วข้าสูกินพายมามาลงแกเก็ต้องจ่ายเอ เกิดมาสร้างบารมีนี้รงสารมีท่าละวัดชี้ละวัดภาวนาวัดวัดเวียงหัวใจวัดขอวัดภายในคือหัวใจวัดภายนอกคือเสนาสนะซีอูวัดภายในคือคิดคือใจมีท่านะวัดชี้ละวัดภาวนาวัดเป็นจนมีพระพุทธธรรมประสงค์เปินหัวหนาเยอะใจ เป็นชิดที่มีคู่เอาว่าพระธรรมพระสงค์เป็นคู่เป็นลูกที่ไมีพ่อมีแม่เป็นชิดที่ไม่คู่ไปได้ถึงว่าพระธรรมประสงฆ์พวกนั้นเป็นชิดที่ไม่คู่คู่เฮาเป็นคู่ประเสริฐพระพุทธธรรมพระสงค์เฮานองมาส่งลูกที่เขาใจเฮาทดกข์ทรมารว่าอยู่กับใจละบบาบบาเพ็ญบุญทาหม้อส่องไหว้สิ่งระบาบบาเพ็ญบุญ สังโคแปลว่าปฏิบัติราบาบําเพ็ญบุญธานตุไมัยบุญสมเด็จด้วยการบริจาคทารจากเขาเ น, นาท้ธาตาไม่สัจปัณฑ์มีสัมป น, นุตั้งสัตว์ไว้ในทางถูกแล้วเราไม่ยอมละความสัตว์ตั้งสัต ว, ว์ในทางถูกไม่ใช่ว่าตั้งสัตว์ในทางผิดตั้งสัตว์ในทางผิดคืออะไรคือจะไปฆ่าคนกรต้องฆ่าจริงอันนั้นไม่จัดเข้าในพระพุทธศสาสนาะคือ ส้าจากความจริงใจคือบระพติในทางที่ดีก็ให้ได้จริง น, นั้นตั้งสัตว์ไว้จะเสียชีวิตสมมติว่าตั้งสัตว์ไว้จะไม่รับประทานอาหารเย็นจะรักษาสิ้นแปดจะตายด้วยสิ้นแปดจะตายด้วยการไม่ได้กินข้าวขําก็ตามจะยอมเสียสละชีวิตต่อสิ้น เ, นเรียกว่าสีรมัถะคราลมีสัมปันโน หรือเรียกว่าสจัตตาปรมัตตาปรามสัมปโนหรือเรียกว่าอธิฐานปรมัตตาปารามสัมปโนหรือเรียกว่าเมตตาปรมัตตาปรามิสัมปโนเพราะเมตตาตนนั่นในพระพุทธศาสนาไม่มีคําสอนสิ่งไหนไม่มีไม่ไม่ไมคําว่าสิ่งไหนที่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนไม่มีเลยเราพูดอยู่เดยอะเนี่ยก็ยืมคํำของท่านมาพูดนั่นเองคําไหนที่ท่านไม่ได้พูดไม่มีเลยนั่นะเทศเด่นสักเพียงไหน น้ำไหลไฟรับก็าตามก็เป็นคําของพ่อปรมศาสตาดาทิเทศแล้วนั่นเป็นโมหันของท่านทั้งนั้นถ้าท่านผู้ใดบอกว่าคํานี้พระพุทธศาสนา ย, ยังม่ทิเทศเราคิดได้มาเองคนนั้นเป็นคนประมาทพระพุทธพราะทรเพระสงส์ไอทท้ทิแทท่านเทศหมดแล้วจึงยืนยันว่าสับถางสรรพยันชนะอังเกวระปริปุ น, นงังกรณีสุดทางผมมันจะยังประกาศเสสิบบริบูรณ์ทั้งอัตถะตั้งพยันชนะเึ้นเชิงแล้ว ตามมหปาปกวันจังอาคุปติยามีตามมหปาปกรวันจังศีรสาน า, นามามิข้าพเจ้าจึงยอมกราบไหว้โดยไม่ต้องกระดาบผู้มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามผู้มีปัญญาย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้าม ผู้มีปัญญาย่อมนับถือในสิ่งทีค่ควรนับถือผู้มีปัญญาก็ตรงงานข้ามผู้มีปัญญาย่อมระลึกถึสิ่งที่ควรระลึกถึงผู้มีปัญญาก็ตรงอานข้ามเหตุฉะนั้นจึงมีปัญญาเพราะได้อบรมมาแต่พระอก่อนๆชาติถึงก่อ น, อนคนไม่อยู่ในระดับเดียวกันเหตุฉะนั้นจึงบัญญัติว่านายธิรธรรมโลกุตรธรรม โลคุตระธรมหมายเอาผู้มีสิ้นห้าบริบูรณ์เป็นต้นไปหมายเอาถึงสุปิปัณโนต่ําก่อนนั้นลงมาเป็นโลกียาธรรมเป็นโลกียาสินเป็นโลกียาสมาธิเป็นโลกียาปัญญาเอาเป็นประมาณไม่ได้บางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นภมบ้างไม่แน่นอนบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างส่วนสุปฏิปัณโนผู้มีสิ้นห้าบริบูรณ์ถือพระพุทธศาสนาบริบูรณ์นะมีคติเป็นหนึ่ง คือเดินหน้าไปถึงพระนิพพานไม่มีคติลงมาทางต่ำนะเธอทั้งหลายจงมีศีลห้าเป็นที่อยู่จงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้บริบูรณ์ เ, เนออย่าไปยินดีในทางอื่นเดี่ยวพวกเธอจะเสียใจในภายหลังเนอพระบรมศาสดาเธออย่าได้ประมาทเนอจงรีบมีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่มีทานวัดศีลวัดภาวนาวัด และจิตใจให้เรื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เสียถ้ามาอย่างนั้นแล้วเพราะเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเนื้อพระบรมศาลาการถึงพระพุทธธรรมประสงคมันจะลำบากอเราขึ้นเครื่องบินมันก็ยังลําบากนะปีนขึ้นเราขึ้นรถขึ้นเรือมันก็ลําบากปีนขึ้นเราขึ้นต้นไม้มันก็ลําบากปีนขึ้นแล้วขึ้นบ้านขึ้นเรือนเราก็ปีนขึ้นบันไดถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันยากเลยพิกจิ ขณะเดียวถึงแล้วสมาทานเสมึงแล้วไม่ได้ยากไม่ได้หนักด้วยนันผู้ยินดีนะพูดพระธรรมประสงค์ก็คือผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ไม่ยินดีก็ตรงอันข้าบนันไก่แก่ตัวหนึ่งขณะที่คุ้ยเคี่ยหาอาหารไปพบพลอยเมยักหนึ่งงามดีมีข้ามากก็พูดเปรยเปย์ขึ้นว่า ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าข้าเช่นนี้เขาคงเจ็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวียนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยสู้แต่ข้าวสุกข้าวสารมเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเฉียไปในปละเอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉันใดก็ดี พวกที่ถือมาเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมถือพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าไต่แก้เห็นพลอยแล้วก็ทิ้งซะเลยไปในแปลงอื่นเลยไปถือรักที่อื่นๆนั่นเลยไปถือรักที่อื่นๆซักความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนดีทำได้ง่าย ความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงเงินข้ามไม่ถือเป็นของหนักเลยการทำดีให้ตัวถือเป็นของหนักการทำดีให้ตัวถือเป็นของหนักเราสำคัญตัวว่าเราเป็นคนฉลาดความสำคัญตอนนั้นเป็นที่พึ่งของเราได้หรือไม่นั่นนันั่นนั่ น, น, นถ้าเราสำคัญว่าคำสอนอื่นอ น, นอกจากพระพุทธศาสนาไปแล้วเหนือพระพุทธศาสนาไปมีอยู่ถ้าเราสาคัญอย่างนั้น การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ลงไม่สนิทเมื่อเราลงไม่สนิทเราเวลาเราปฏิบัติมันก็หนักเท่าครูเขาหลวงถ้าเราเชื่อลงไปในศรัทธา พ, พร้อมกับปัญญาของเราแล้วว่าคําสอนใดในใจโลกธานไม่เท่าคษษาานนาาาําสอนพุทธศาสนาเลยด้านฆราวาสองค์ท่านก็สอนครบแล้วด้านพระสุธรรมเรนองค์ท่านก็สอนครบแล้ว ด้านเทวบทเทวราเองนพรมยมยับตลอดถึงเทวบทตลอดถึงพระรหัสรหัสท่านผูสอนมาแล้วอย่างนี้การนักใจก็ไม่มีเมื่อาการนักใจไม่มีเราก็ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธศาสนาไปตามสติ ก, กําลังของของเราท่านไม่สงสัยว่าจะาแยะใช่แล้วขวาอันนั้นก็เบาใจอย่างนี้ปัญหาของใจเราก็ไม่มีมากที่ปัญหาของใจเรามีมากเพราะเห็นว่าพระพุทธศาสนาโม่งเงาเตาตุตนแต่พระพุทธศาสนานนกับ กลายเป็นว่าพวกเธอทั้งหลายโง่เง่ า, งาต่าตนจะตะเกือนจะออบุญอย่าวุดนักเลยพระพุทธศาสนาถ้าเราสำคัญว่าเราสนาดกว่าพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ลงนะครับไอตัวสำคัญมั่งเพราะอะไรก็พระกิเลสมันงอยู่บนหัวใจม า, า, าหลายชาหลายภพแล้วทีนีพวกบรรดาพี่น้องชาวพุทธนั่นผู้อยากกลับบ้านก็มีใช่ไหม เดี๋ยวพอจะเสียเวลานานอต่อไปนี้พอจะให้พอแล้วก็เอาละนิดทาไมถึงว่าไม่ไม่ว่านิดทิตังไม่ไม่ว่านิดทิตังอ่ะทาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ลงธรรมาะอยู่ทุกเมื่อกว่าแกแกตายก็ไม่ลงธรรมะเหตุนั้นจึงว่าว่านิดทิตัง ซึงว่าไม่ว่าสมควรแก่เวลาเวลาไหนก็ตามความแก่เก็บตายก็แขวนคออยู่เวลาไหนก็ตามดินเน่าคยลงก็มีอยู่ผู้ทําดีก็ได้ดีพูดทำชั่วก็ได้ชั่วมีอยู่ทุกการไม่ลงธรรมาทิเลยความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีตลวันกลางคืนความเก็บก็เก็บอยู่ไม่มีกะวันกลางคืนความตายก็ตายอยู่ไม่มีกะวันกลางคืนความเปื่อยความเน่าก็เปื่อยเน่าอยู่ในสะพนลร่างกายไม่มีกลวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิแต่พวกเรามาเทศกันก็สมมุติว่าเอวังก็มีร้อยประกาลรอะไรแต่ว่า พรนะธรรมนาไม่ลงทาารรมดเลยมีอยู่ไม่มีกวันกัางคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้ฟังและผู้ไม่ฟังทีนี้ต่อไปก็จะให้พรเป็นวิธีเราเอารักนะี่ย้าวาณีวหาปุราภิริภูเรนวิสากรังเอวามีวะอิโตจินางเปตานังอุปกัปติมิจิตังมิจิตังสุมหังทคิโตมีวะสัมมิจาตุเพภูเรนตุสังสัปปาจันโท บนานาโสยาธามนิโสติระโสยาธาสพีติโยวัชันตุสัพปะปุโคสัพพะโยสัพะโรโวินัสสัตโตมาเตพวัสดัตตรายโยสุขีติคายยโกเพราะว่าอภิวาสนาสีนิจานิจังุทธาภาชายโนจัตตาโรธัมมาวัทันติอายุวโนสุขังพลังเตอัตราฐากิยตาอุณาภุดาสาเอโรคากิตาหัว สาตะเพียรยาทีพี่อาคุาทั้งหญิงทั้งชายจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อในพระพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นเนอกทั้งหญิงทั้งชายจงพากันเป็นสุขในพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อว่าอย่างนั้นหนอกแต่อัธรัธาชุเกตาเปรุ่นห้าเตยหมายความว่าทั้งหญิงทั้งชายราีินีท่านผู้ใดต้องการกลับก็กลับ เดี๋ยวพวกปริญญาโทรปริญญาเอกก็จะมาเอกเนี่ยชือแปดคนนัดไว้ว่าจะมาในวันนี้อะ